พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2557้าห้าบมีชื่อเรื่องว่าพรปีใหม่วันนี้เป็นวันปีใหม่ด้วยนะลูกหลานนะเห็นลูกหลาน ใส่บาทในหมู่บ้านโอ้เต็มไปหมดแถวยาวเหยียดลูกหลานมาจากถิ่นไกลมาจากกรุงเทพจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บางคนก็คงจะปลื้มใจนะเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จ ดีอกดีใจที่ลูกหลานกลับมาบ้านมาเยี่ยมแต่บางคนก็ไม่น้อยเหมือนกันมั้งคงจะเสียใจกับลูกเอพอาลูกมาเล่าอะไรให้ฟังก็ไม่เป็นที่พอใจคล้ายๆกับว่าลูกได้รับความทุกข์ยากลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ก็คงจะกลุ้มใจทุกใจใจอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะสุขใจอย่างเดียวนะเพราะโลกนะัมันโลกโลกอันนี้จังใช่ไมมีทั้งสุขมีทั้งทุกข พระเคล้ากันเศรษฐายางลูกหลานเอาเก็บเก็บเอาไปเลยออกไปดูดูนะพวกอาหารเลูกหลานเน่าถ้าหากว่ายังไม่ได้เลี้ยงกันยังไม่ได้กินทั่วถึงกันอย่าไป เ, ออเก็บใศษตะกงตะก้าเอาไปบ้านไม่ได้นะต้องเลี้ยงกันให้เพียงพอสะกก่อนเพราะอาหารนี่อาหารสาธารณะไม่ใช่อาหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะวะอาหารเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญถ้ามันมีอยู่ที่โน่นอยู่อา้าวถ้าว่ากินยังไม่อิ่มนะพี่น้องลูกหลานเนาะไปหายกินตามโรงครัวก็ได้โรงครัวก็พร้อมที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงคณะศรัทธาญาติโยมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหลวงปู่ผู้ใดมาแล้วก็นนะพร้อมที่จะเลี้ยงทางบดอาหารในโรงครัวของเราเดี๋ยวเนี้ยนะลูกหลานนะ โรงครัวของเราแสดงความจำหนงที่จะมาตั้งโรงครัวอในงานของหลวงปู่นี่เดี๋ยวนี้ได้หกร้อยกว่าโรงครัวแล้วไม่ใช่น้อยนะหกร้อยกว่าโรงครัวเดี๋ยวนี้เข้ามาก็ประมาณสักยังไม่ถึงร้อยมั้งแต่จะมาครบจำนวน มาครบทั้งหมดหรือไม่อาณาเก็อีกเป็นส่วนหนึ่งนะแต่แสดงความจำนวมาแล้วเนี่ยหกร้อยกว่าเอาขึ้นมาข้างบนเนอะจัทธาญาติโยมลูกหลานขึ้นมาข้างบนมารับพรปีใหม่คณะสงฆ์จะประสิทธิ์ประสาทพรปีใหม่ให้นานทีปีหนนพวกเราจะได้มาสู่วัดวาศาสนา ในเมื่อมาสู่วัดวาศาสนาแล้วก็ขึ้นมาข้างบนพระสงฆ์จะให้พอรอนุโมทนาให้พรเป็นสิริมงคลปี 2,557 จะได้สู้ต่อไปอา้าวเงียบที่นี่ขึ้นมาบนศาลาแล้วยัไปคุยกันอยู่ในความสงบพอพวกเราอยู่ในบ้านก็คุยกันมาพอแรงแล้วล่ละ เมื่อลงจากศาลาไปแล้วก็ยังค่อยไปคุยกันอกีกแต่ขณะอยู่ในศาลาอย่าไปคุยกันเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังถ้าเราไม่ตั้งใจฟังจะไม่ได้ประโยชน์มาแล้วก็มาคุยกันนะจะได้ประโยชน์อะไรถ้ามันได้ประโยชน์มันก็ไม่ต้องมาวัดนะจะมาทําไมมาวัดก็มาสู่วัดวาศาสนาเพื่อการศึกษาเพื่ออาศัยการได้ยินได้ฟัง สุตรตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจินตนาไข้ควรทบทวนที่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่ออินพูดเนี่ยถูกต้องไหมฮต้องจินตนาการไข้ควมทบทวนอีกที่นึงเรียกว่าจินตามยะปัญญาแล้วก็ภาวนามามยะปัญญาปัญญากาศจะเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบ เมื่อจิตใจสงบผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาอีกที่หนึ่งมันจริงไหมที่ได้ยินมาเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อใครง่ายๆนะต้องวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลต้องวิเคราะห์ด้วยเหตุผลมีเหตุผลจริงไหมนี่แหละหลักธรรมคา ส, สอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้ปัญญานะคณะสัตว า, ายญาติโยมลูกหลานไม่ให้ซื่อบือ้อเชื่อไปเรื่อยไม่ได้นะ เขาพูดอะไรให้มาให้ฟังก็เชื่อไปเลยทั้งที่ไม่เห็นตัวเห็นขาก่อนเน่นนนะเพราะเขาพูดข้มาก็เชื่อไปเลยไม่ได้เอออันนั้นแปลว่าเชื่อง่ายเกินไปทำให้เสียหายนะเมื่อวานเป็นวันที่ส1ก็ะเป็นวันพระ่เป็นวันพระเป็นวันล ง, ลงอุโบสถของพระสงฆ์ด้วยเมื่อวานในพระสงฆ์ทั้งหมดสอ0รรูปนะคณะสัาทา ย, ยาิโยมลูกหลาน ที่มาลงอุโบสถตรงนี้แล้วก็เนี่ยแต่ได้เห็นไม่มากนะท่านไปฉันอยู่หลายจุดพระที่มาร่วมงานช่วยงานรู้สึกว่าประสงค์เข้ามาเริ่มเข้ามาเรื่อยงานของพวกเราก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นทางว่าใครยังไม่เห็นน่ตรงที่ไปเมนของหลวงปู่ไปดูนะเดี๋ยวนี้กาลังประกอบเรื่องนกหัดชดีลิง์ค่เป็น ศิละปะทางเหนือที่มาทำแล้วก็เมื่อคืนคนณะสง์ร่วมกันหัวหน้างานนะหัวหน้าวางแผนงานไปชมกันเมื่อคืนนี่หลงพอมองดูนาฬิกามองแล้วมองอีกหลวงพ่อคิดว่าลงจากสลาจากลูกหลานไปแล้วก็คงไปหาที่พักเพราะเมื่อคืนนี่หลวงพ่อเองก็เป็นองค์แสดงธรรมยงเทศนะและก็คืนที่จะถึงนี่นะผู้ใจมา ร่วมสวดอภิธรรมก็มาได้แล้วก็หลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมอีกนะคืนนี้หลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนะก็คงจะได้สวดอภิธรรมแล้วก็คงจะแสดงธรรมเทศเมื่อคืนนี้หลวงพ่อก็ได้เทศลําลึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่บรรยายองค์หลวงปู่เคย พาลูกหลานปฏิพฤติปฏิบัติอย่างไรพอเมื่อคืนนี้ก็พระสงฆ์ก็ได้มาแยกงานกันแต่ละแผนกแต่ก็ได้ไประชุมหาลือกันสิ่งที่ขาดตกบกพร่องในงานของเรานี่คืออะไรนะลูกหลานฟังเอานะถ้าใครอยากจะได้บุญนะนคือหนึ่งถุงขยะยคือถุงขยะในคณะกรรมการได้สั่งถุงขยะจากกรุงเทพ สั่งมาห้าตันเออสั่งมาห้าตันที่เอามาใช้ในงานเอ่อพอเอามาจริ ง, รงๆเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเออมาได้แค่สามร้อกิโลแล้วจะทำยังไงแล้วก็เลยเราก็ได้หาถูกถังขยะจากกรุงเทพ เ, เสียโชคนะ ออกมาขราวก่อนนะี่ยรถพิก up คันหนึ่งแต่ออกมาอีกวันนี้ก็รถพิก up อ, อีกคันหนึ่งก็คิดว่าไม่พอแหะเพราะเราโรงทานของเราต้องห600้อโรงเลยและก็พวกเศษอาหารจากแต่ละโรงทานนั่นแนหะก็จำในสูงใส่ถุงขยะ เ, เก็บใส่ถุงขยะเพราะฉะนั้นลูกหลานเนะีอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนถ้าใครจะมาเนะี่ยถ้าใครอยากจะได้บุญเอาถุงขยะมาด้วยนะ ใหญ่ขนาดไหนหลวงพ่อถุงดำนะสามสิบคูณสี่สิบนะถุงดำเนี่ยแบบเป่าทุนหนาสักหน่อยเพราะเรายกขึ้นรถมันจะไม่แตกนะเราจำเป็นอย่างมากที่จะจยแจกแจกจ่ายไปตามโรงครัวต่างๆทั้งหกร้อยกว่าแต่อาจจะถึงแปดร้อยพันก็ไม่รู้ล่ะใกล้ๆงานเข้ามาอันนี้ก็คือความขัดข้องพนั้นผู้ใดนันลูกหลานผู้ใดนะ อยากจะสวยอยากจะงามอยากสะอาดสะอ้านนะหาถุงขยะมาช่วยงานของหลวงปู่น ะ, อะบอกกล่าวกันถุงขยะนี่มีความจำเป็นถ้าได้มาแล้วกันนะมามอบให้กองอำนวยการอันที่สองนะเมื่อพระสงฆ์ประชุมกันเมื่อคืนนี้บอกว่าขาดอะไรบอกว่าขาดสแลนสแลนสแลนคือผ้ากั้นนี่แหละ ถ้าหว่าพี่น้องประชาชนมาทำโรงทานและมานอนตากลมอยู่นะ่มันจะได้ไหมมันหนาวขนาดนี้พวกเราควรจะหาสแลนให้กับโรงทานต่างๆหลวงพ่อก็ถามว่าขาดเท่าไหร่กะว่าประมาณสักยี่สิบม้วนยี่สิบม้วนถ้าได้ยี่สิบม้วนพอประทังถ้าได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีเพราะว่า โรงทานที่เก่าๆที่มาก่อนนันก็ยังขาดอยู่ยังไม่ได้ช่วยยังไม่ได้กั้นไว้เต็มที่เพราะมันหนาวลมพัดหนาวเนี่ยควรจะมีสแลนกั้นหนาวเอาไว้เพราะนั้นถ้าหาว่าได้เต็มที่เท่าไหร่หลวงพ่อประมาณสักสี่หรือห้าสิบม้วนถ้าได้ขนาดนีเพียงพอแต่ชักขนาดยี่สิบม้วนก็ยังไม่พอหลวงพ่อว่านะแต่ว่าม้วนม้วนแลเท่าไหร่ หลวงพ่อก็ถามอีกเมื่อนะถามพระนะถามผ้าม้วนทุตไลไว้สแลนเนี่ยพระเขาบอกว่าเก้าร้อยกว่าครับหลวงพ่อประมาณเก้าร้ยสี่สิบแต่ละม้วนอืมโอ้ก็แพงพอสมควรวะ่วะแต่ถ้าคนรวยก็ไม่แพงนะเพียงแค่นั้นน่ะแต่คนจนอย่างพวกหลวงพ่อเนี่ยก็คงแพงนั่นแหละแต่ว่าก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้ใช้เอามาใช้เพื่อกันลมสาหรับ ผู้ที่มาตั้งโรงทานคงจะเอาแต่อุปกรณ์การตั้งโรงทานมาทำทานเท่านั้นเองคงจะไม่ได้คิดถึงสรลงสแลนเน่ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันคิดไว้ก่อนเดี๋ยวลูกหลานเข้ามาศรัท ธ, ธาญาติโยมเข้ามานอนลมเป่าทั้งวันทั้งคืนก็เป็นหวัดเป็นไข่เข้ามาก็คงจะไม่เป็นผลดีสําหรับลูกหลานที่มาทำบุญเพราะนั้นพวกเราคณะกรรมการทั้งหลายก็ได้ช่วยกันคิดที่ขาดเ ด, เดี๋ยวนี้ก็คือ น, นี่แหละ ถุงดำถุงถุงดําถังขยะถุงขยะแล้วก็ผ้าซาลแอนซาลแลนกันหนาวอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวนะ่าลูกหลานเนะ่าไม่ใช่หลวงพ่อขอหนะลวงพ่อว่าสิ่งที่ขาดตกบกพร่องในงานของหลวงปู่มีอะไรบ้างหลวงพ่อขอแจ้งให้ทราบเพราะหลวงปู่ไม่ใช่ของหลวงพ่ออินองค์เดียวเป็นของพี่น้องลูกหลานทุกคู่ทุกคน ผู้ที่จะช่วยอันไหนได้ก็อยากจะทำบุญอยู่แต่ไม่รู้จะออไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรที่ท่านท่านยังขาดอยู่งานทั้งหมดนี่ก็ประชุมกันเมื่อคืนนันก็ประมาณ8 0กว่าเปอร์เซ็นต์นแหละอีกไม่นานหน้าท่านนกขัดจดีลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะเข้ารูปเข้าร่างแล้วทีนีออ้งานของลูปู่ก็คงจะไปได้ดี ฝวายพระสงฆ์นี่ก็พร้อมเรื่องต่างๆที่พวกเราจะช่วยกันก็พร้อมพอสมควรในหลวงพ่อในสายตาของหลวงพ่อที่มองดูที่เคยจัดการจัดงานมาก่อนเผยเผอยังสวยงามอีกต่างหากไปดูที่เต็นของพระกูบาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานประดับตกแต่ง ส, สวยหรูทีเดียวเลยหาดูได้ยาก แล้วก็ต่อไป น, ะนั่นน่ะนกขัดจดีลิงอีกเฮ้พวกเราลูกหลานทําอะไรเพื่อสุดอกสุดใจแล้วก็พร้อมกันซุ้มต่างๆบนพระเจดียร์หลวงพ่อทราบว่าจะประดับตกแต่งเอาให้ท่านกับสวยหรูมาจากสมุดปากปราการนะหลวงพ่อได้ยินนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ถามไทยเจ้าภาพหรอกแต่ถึงยังไงพอไปเห็นแล้วก็พวก ลูกหลานที่ประดับตกแต่งดอกไม้ก็สนซุ้ประตูนึ่งแต่ยังไม่เสร็จหลวงพ่อเห็นแล้วก็ยังสวยงามแล้วนี่แหละทุกคนก็เพื่ออุเทศเรียกว่าเทน้ําใจลําลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ของพวกเราทํายังไงจึงจะให้ดีที่สุดสวยงามที่สุดเหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดเพราะหลวงปู่เป็นผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบเป็นที่รักเคารพของ คณะสิทธิ์ญาณสิทธิ์ลูกหลานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเหตุนั้นงานนขอให้งานเทน้ําใจใส่กันนะลูกหลานนะช่วยช่วยกันสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําที่หลวงพ่อได้พูดนะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะลูกหลานนะเพราะหลวงปู่ของเรามาบมําเพ็ญสมาธิปัญญาท่านนั่งภาวนาะทุกคืนเกือบจะไม่ได้ขาดทางไหว้พระสวดมนต์อยู่ในสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครเข้ามา ก, ามากราบมาเคารพสักการะบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลมากมายมหาศาลเพราะเหตุใดเพราะเป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบําเพ็ญตปะปาบาเพ็ญบุญกุศลของท่านแต่ถ้าตรงกันข้ามตันี้ถ้าหาว่าผู้ใดามาอยู่ในสถานที่นี่ทำตนไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดี เผยเผยยังเป็นขโมยโพยโจรอีกมาหลักหลักเล็กขโมยน้อยอีกมาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยเป็นบาปมหาศาลอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทําบุญก็ได้บุญมากทําบาปก็ได้บาปมากเพราะฉนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนีคณะสัตยาติยโยมทุกคนนีให้จิตใจเป็นกุศลมาที่นี่แล้ว สิ่งไหนที่มันถุงขยะขวดน้ำถุงพลาสติกที่มันหล่นลงไปที่เราเห็นหยิบเก็บใส่ถุงขยะคือเป็นหน้าที่ของเราเราเป็นลูกหลานของหลวงปู่หลวงปู่สั่งแนะนำสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นเรามาทำทำเราลูกหลานทำเพื่อปู่เราไม่ได้ทำเพื่อใครเราไม่ได้ทำไม่ได้ทเพื่อหลวงพ่อยิน ไม่ได้ทําเพื่อใครผู้ใดผู้หนึ่งทั้งหมดเราทําเพื่อลงปู่ห้องน้ํามันสกกระปงเราล้างได้เพราะฉะเราทําบูชาพระคุณหลวงปู่ขยะที่มันล่นที่ไหนเราเก็บได้กวาดได้ทําความสะอาดได้เพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่นี่แหละให้ลูกหลานทุกคนคิดถึงหลวงปู่ไว้ในใจนี่แหละบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของลูกของหลานไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะเหตุไรเพราะเราประกอบคุณงามความดีมาสร้างบุญบา ร, รมีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะ่ะมาในสถานที่นี่สถานที่นี่แหละอย่าเป็นขโมยโพยโจร น, นะเห็นโทรศัพท์โทรศัพท์เขาหลุดลเา้าตกเขาลนอ่ก็จะไปหยิบไปเอาเพราะเหตุไรเพราะถ้าอย่างนั้นเป็นขโมยนั่นเมื่อเป็นขโมยแล้วมันไปไม่เป็นของดีแล้วใช้ขึ้นมาแล้วก็าโอ้ สมัยนะั้นเราไปเข้าไปห้องน้ําไปเห็นโทรศัพท์เขาอย่างดเาีเราก็เลยหยิบอามยาิ้ใช้เราไปขโมย อ, อยู่ที่วัดหลวงปู่จามไม่ใช่จะดีใจนะลูกหลานนะคิดมาเมื่อไหร่กบแปล้งใจ เ, เราก็ไม่น่าหยิบเอาของเขามาใช้เขาคงจะหวงของเขาเหมือนกัน เ, เราญาน่าจะประกาศให้เขาส่งคืนให้เข า, เาจึงจะถูกนะเราหยิบอามยิ้ใช้ ใช้กับเท่านั้นหรอไม่เห็นจะเสียได้ติปได้ดีอะไรมีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความไม่สบายใจซะมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทํำความชั่วอย่าทําเสเลดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้จนตนเองแป้วใจหรือทุกข์ใจไม่สบายใจเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกๆทุกค น, นวันนี้เป็นวันปีใหม่อวันปีใหม่ ให้พวกเราทบทวนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานปีที่แล้วปี56เนี่ยเราได้คิดดีคิดดีหรือย่างทำดีหรือยังพูดดีหรือย่างหรือสิ่งไหนที่มันไม่ดีทำมันไม่ดีก็เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งปีนี้เราจะทำให้ดีเราจะไม่ทำอย่างปีที่แล้วถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนเพราะนั้นลูกหลานทุกคนนะมาเยี่ยมพ่อแม่มาจากต่างจังหวัด ผูดไปทำการทำงานมาแล้วก็ให้ช่วยดูพ่อแม่เนอะลูกหลานเนอะเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องวางตัวให้ถูกถ้าระวางตัวผิดแล้วมันจะไม่เป็นมงคลวางตัวให้ผูกถูกคืออะไรอยู่ในทิศทั้งหนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทิศทั้งหคืออะไรทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต ทำกิจโทรของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอลระดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุธสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาสามีภรรยาต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเมื่อเราได้อยู่ด้วยกันแต่งานกันแล้วให้เคารพสิทธิ์กัน อย่าไปร่วงล้ำกันอย่าไป น, นอกใจสามีอย่าไป น, นอกใจภรรยาภรรยาอย่าไป น, นอกใจสามีให้ครบสิทธิ์เช่งกันกันรักกันเมตตากันอันนี้คือคอทิศบัางหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์พวกเราเกิดมาจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดขึ้นมาทีเดียวเลยคงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีครูบาอาจารย์อันดับแรกก็คือบุคย์อาจารย์คนแรกก็คือบุตร พ่อแม่เป็นอาจารย์คนแรกของบุท ธ, ธิดาออพอบุตรธิดาเกิดมาลูกชายลูกสาวเกิดขึ้นมาพ่อแม่ก็ต้องสอนก่อนเพื่อนกินข้าวอย่างนี้นะลูกนะอาบน้ําอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะเดินอย่างนี้นะพ่อแม่ต้องเป็นคนสอนก่อนอันนี้หรอกพ่อแม่เป็นบุพภาอาจารย์เป็นอาจารย์ของบุท ธ, ธิดาเป็นอาจารย์คนแรกของบุท ธ, ธิดาจากนั้นก็ส่งเข้าโรงเรียนอนุบาลปถมมัธยมปริญญาตรีโทโเอก อันนี้ก็คือได้เรียนได้ศึกษานะี่ยว่าครูบาอาจารย์มีหลายระดับอันนี้คือครูบาอาจารย์เมื่อเห็นครูครูบาอาจารย์เข้ามาลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพเนี่ยคือทิศเบื้องขวาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราต้องมีหมู่มีเพื่อนมีมิตร ม, มีสหายกัญยาณมิตรมิตรที่ดี อย่าไปคบป้าประมิตรมิตรชั่วมิตรชั่วคืออะไรชวนไปดื่มน้ําเมาชวนไปกินยาบ้าชวนไปป้นไปลักไปขโมยอันนั้นไปว่าป้าประมิตรมิตรที่ดีกับชักชวนไปในในทางที่ดีเรียนหนังสือทํามาคา้าขายอย่างนี้ว่ากัญยาณมิตรให้คบกัญญาณมิตรคนเราไม่มีมิตรไม่มีสหายโดเดย์อยู่คนเดียวนะ่ะ ไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้ทำมาค้าขายก็ต้องมีพักมีพวกมีหมูมีเพื่อนให้รักเคารพในหมูในเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงสหายเป็นยังไงกระยาณมิตรเราต้องเป็นอย่างนั้นไว้เนื้อเชื่อใจกันมีสัจจะมีความจริงจังและจริงใจต่อกันอันนี้มิตรสหายทิศเบื้องบนสมัิทิศเบื้องต่ำเบาเบาก็คือลูกน้องบริวารคนเราต้องมีลูกน้องบริวาร มีคนขับรถมีคนปัดถนนมีคนอะไรมีทุกอย่างลูกน้องบริวารของเราที่เราจะใช้งานอันนี้เราก็ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ที่เราได้มาเพราะเราเป็นนายเขาให้รางวัลเขาพอเหมาะพอสมพอสมควรอันนี้เราก็ทิศเบื้องต่าําบ่าถ้าคนไหนลูกน้องบริวารไม่ดีอย่าหวังเลยบริษั ท, ท้างร้านนั้นจะเจริญรุ่งเรืงอรงครอบครัวนั้นจะรุกเจริญรุ่งเรืองไปได้ เพราเหตุใ้พูดลูกน้องไม่ดีลูกน้องไม่ให้ความคารพ ไ, ไม่ให้ความไว้ใจท่าว่าเราแบ่งปันในทางที่ถูกต้องลูกน้องก็ให้ความเคารพนับถือนี่แหละทิศเบื้องต่ําบ่าวทิศเบื้องบนสัมมาณพราห ม, มณ์สัมมาณพราหมณ์อย่างหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาเนี่แหละเวลาลูกหลานเข้ามาอย่างวันนี้แหละหลวงพ่อบอกเออลูกหลานเอ้ยอย่าไปทําความชั่วนะให้มีความ ให้มีศีลมีธรรมให้เคารพปิดามารดาอันนี้คือสมมาณพราหมณ์ท่านจะแนะนําในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเราไม่เคยเข้ามาหาวัดวาศาสนาไม่เคยไปศึกษาในสมมาณพราหมณ์เฉยเลยอีกทวันหนึ่งเราก็พยองพองตัวว่าข้าคือใครใหมันลืมตัวง่ายๆนะกิเลสนะถ้าเข้าไปหาสมมาณพราหมณ์ท่านก็จะได้นําสั่งสอนอย่างหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปหาสมมาณพราหมณ์ตั้งแต่เป็นเด็กนะ เข้าไปกาบหลวงปูล่ลาไปอยู่กับหลวงปูล่ลามาอยู่กับหลวงปู่จามมาอยู่กับหลวงปู่แวนน่ยไปอยู่กับห ล, งบลงวลงตามหาบัวเนี่ยแหละคือสมมาณพราหมณ์เราต้องเข้าไปศึกษานะนี่แหละถ้าหากว่าลูกหลานอยู่ในทิศทั้งหกอยู่ในกรอบของทิศทั้งหแล้วมีแต่มีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมทิศทังหกที่หลวงพอ่อยอยให้ฟังทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาที่หลวงพ่อได้พูดใช่ไหมละ่ะทิศเบื้องหลังสามีภรรยาควรปฏิบัติตนอย่างไร ในสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ำเบ่าวไพ่บริวารคนงานรับจ่าทิศเบื้องบนสัมมนาพราหมณ์ถาว่าพวกเราปฏิบัติตนให้ถูกต้องในทิศทั้งหแล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะอันนี้เราคือพรปีใหม่ให้พวกเราสํานึกสําเหนียกไว้ในใจเสมอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิบัติให้ เหมาะสมต่อทิศทั้งหกมีแต่ความเจริญนะนี่แหละอันนี้คือหลบพ่อให้พรประสิทธิ์ประสัทพรตอนนี้เข้าสู่จิตใจของลูกหลานซะก่อนศรัทธาญาติโยมก่อนตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอรอนะันตินีนะ้าแล้วก็อย่าลืมนะ้าสแลนกับถุงขยะน้าอ้าว <c oughs> เดี๋ยวลืมฟังอย่างอื่นเพลินเปโอ้ลืมลืมสแลนกับถุงขยะไนะ เรารับพร